อันพระอาตมาท่านผู้ 2533 วันนี้ 2 แต่เรื่องโรคภัย ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอนิจจวตสังขาราสังขารทั้ง นี่ในหนึ่งที่ท่านบอกว่าอจิรังวตยังกาโยปตวินอริเสตติสุทโธเวทิวิญญาโนนิรถังวะครินทรังคือร่างกายนี้ไม่ชราก็มีวิญญาณไปปราดแล้วคือมันตายเมื่อตายแล้วร่างกายก็ไร้ประโยชน์ <c oughs> ก็เป็นว่าวันนี้ก็มาปรารภความตายกันก่อนเสียงอาจจะ <c oughs> จังหวัดพิจิตรบ้างกรุงเทพฯมากกรุงเทพฯก็มากนครพนมเพชรก็เยอะนครสวรรค์ แล้วก็เธอบอกว่าเธอจะซื้อเครื่องวัดหัวใจคือเครื่องตรวจหัวใจเครื่องเล็ก เเล้ว 95,000 บาทเพลก็ถามว่าถ้า 47,500 บาทกับ 1,870 บาท อันนี้ก็เป็นความดีของเธอ ที่สอยไสลมนี่นักได้เงินเดือนทําบุญกังเกงก็ เรื่องการอยู่ที่วัดการอยู่ที่วัดนี่ก็คุยกันถึงเรื่องเรียนหนังสือเองก่อนการปฏิบัติกรรมฐานกับเรียน เมื่อ 2529 ท่านยังมีชีวิตอยู่ยัง 2533 นี่ท่านยังมีชีวิตหรือไม่ ท่านครูองค์นี้มีภติแปลก เพราะอนุสืบไปกลางดูแล้วเหมือนทุกคํา เนมเหื่อเห็นครูบาอาจารย์ท่านทํา แล้วก็นึกถึงถ้อยคําที่ดาวจําในหนังสือนั้นจําได้หมดหรือเมื่อดูเป็นเที่ยวที่ 2 ก็รู้สึกว่าจําได้หมดทุกถ้อยคําแต่ก็เกิดความ ถ้าแก้ข้อสงสัยไม่ได้ก็ไม่เลิกแก้ข้อสงสัยไม่ได้ก็ไม่เลิกก็เป็นอันว่าสามารถ เอ่อพระพระครูปริยักขคุณประการท่านสอนแต่ว่าต้องทําโทรกับท่านเอกอาจารย์เชื่อเป็นผู้สอนแต่ว่าท่านอาจารย์เชื่อนี่ตายไปนาน แล้วก็จําได้ทั้งถ้อยๆก็ดูหูใจจํานึกคิดตามไปด้วยๆมันก็ไม่พลาดนี่พูดถึงการศึกษาที่เป็นอย่าง <Okay. S 1> ในการเรียนในการรู้เรื่องการจําสมาธิใน เขาฝึกพูดดงเทวดากับนางฟ้าถ้าสามารถทําได้แล้วก็ความจริงก็เปิดธรรมดาธรรมดาวันปกติแต่ เอาอย่างนี้เป็นปกติท่านก็คุยกับเจ้าบรรดาเจ้าบ้านเนี่ยมาแต่เค้าไม่กินหรอกเค้าทะวายพระหมดก็เป็นสังฆทาน ญาติโยมที่ที่ฟังก็ต่างคนต่างมองต่างคนต่างสนๆก็ คือว่าถ้าใครก็คุยประเภทมีเหตุมีผลก็คุยถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นคนนิ่งที่นี่เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาเพื่อนทั้งหลายไม่สนใจในความเป็นพระพระทั้งหมดจริงๆ3 3 นอกจากนั่นแล้ว 10% บ้าง 5% บ้าง 1% บ้าง 0% บ้างจริยาของ คุยเรื่องความโกรธคืออารมณ์ไม่พอใจคุยเรื่องความหลงในชีวิต แล้วก็บ่าทําเรื่องของเราเข้าที่พักสบายมีอารมณ์สงัดบางเวลาก็คุยกัน 3 องค์บางเวลาก็แยก เพราะว่าชอบใจปฏิปทาของพระมุกคลาและพระมาลัยทั้งนี้การย่องไปว่าเมื่อคืนนี้ไปที่นั่นมาใช่ไหมไปที่นี่มาใช่ไหมจึงเป็นอันว่าหลวงพ่อปานท่าน <c oughs> แต่ว่าพระองค์ฉันก็ฉันก็ไม่ได้สนใจเธอฉันก็สนใจในในเรื่องของฉันเท่าว่าเทวดาเขาบอกว่าท่าน สมัยการไปพบของพวกเราในบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่พบเฉยๆ สอบถามโน่นถามนี่บรรดาญาติ แล้วขอบรรดาญาติโยมทุกท่านที่ต้องการรู้ไปจุดโทษจุดเทียนนมัสการพระรัตนตรัยก่อนแล้วก็เขียนคําถามมาได้อย่างมากคนละ 3 ข้อแล้วก็จะมารับได้ในวันรุ่งขึ้นหรือวันต่อไปก็พันบักเออก็ดีเป็นนั้นว่าในเมื่อเค้าเขียนมาแล้วก็ต้องถามว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงผิว แต่ก่อนที่ท่านจะบอกก็เวลานั้นก็บอกได้แต่ <c oughs> พ่อป่อนท่านก็ยิ้มในเมื่อท่าน ถ้าไม่ชอบใจใครมักจะเตะทันทีแต่เวลานี้เกรงใจพระเหลืองไม่โยมน่ะถ้าไม่เกรงใจพระเหลืองเตะแล้ว นี่ต่อคน 300 คนใจยังโกรธพระใครคนที่เคยกราบแกก็จํา <c oughs> มันเป็นการจำใจกราบอาตมาไม่รับให้กราบ <c oughs> ก็เลยคัดอธิบินว่าลายชื่อที่เขาเขียนมาตรงไปตรงมาและก็แบ่งกันสามองค์ก็ถึงเวลากลังคืนเวลาที่จะเรานกันมาฐานแล้วก็ทำตามเรื่องตามราพิทย์ก็ต้องการฝังได้ แต่ว่าเมื่อหลุดพรๆก็ลองคิดดู <c oughs> <c oughs> เมื่อเวลาเมื่อป่นก่อวอยก่อนจะตายมีการยังไงที่ลูกหลานเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> แต่กรรมประเภทนี้ ส่วนใหญ่คนที่ไปสวรรค์มักจะใช้คําบวนาว่าพุทโธบาง <c oughs> ก็ต้องไปอ่านรายงานให้หลวงป่านทราบก่อนว่าแบบนี้ถูกต้องมั้ยครับบางรายหลวงป่านท่านก็ <c oughs> มีบางรายที่เขาเชื่อเขาก็ถามที่เขาไม่เชื่อเขาก็ไม่ถามแต่ว่าถ้า <c oughs> นั่นก็คือว่าชาวบ้านบางคนใช้วิธีโตแล้วเรียนรัดอยากจะรู้อะไร อาตมาเองที่ 2 นะว่าเค้าจดโทษอย่าไปนึกว่ามีตายเป็นที่เป็นก็จดโทษเห็นเค้า ไอ้บ้านนั้นผมก็ไม่เคยไปเคยเคยได้เห็นเขามาที่นี่ถ้าไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรบ้างก็ปานนักร้องกักๆๆๆๆเออลูกศิษย์ของข้าให้มันจะฉลาดอย่างนี้สิ <c oughs> อ่าไม่บอกแกเขาอยากจะรู้แกจะรู้หรือไม่ บางทีเค้าก็มีธรรมดาธรรมดาหลังจากนั้นเค้าก็ถามความ <c oughs> มันมี 7 ปีเมื่อ 7 ปีนั้นมันปรากฏการอย่างนี้มาแล้ว ที่รู้อย่างนี้ไม่ใช่นั่งกรรมฐานเป็นแต่เพียงว่าท่านนอนก่อนจะนอนก็บูชาพระเล็กน้อยเป็นเด็กๆทีนะก็ว่าใครติวิโสภควาหลังสมมาสัมพุทธโธจบแม่ศรแล้วก็ภาวนาวะพุทธโธแล้วก็นอนพอนอนลงไปแล้วก่อนจะหลับบรรดาคน <c oughs> แล้วก็ทําให้ไม่กลัวแล้วก็คุยกันในเมื่อคุยกันก็ถามว่าเค้าเป็นอะไรกับคนตายกับคนที่ วางไว้บนขื่อแล้วก็ดานทับไว้และของอื่นเทินไว้ลูกใช่ไหมเค้าใช่ชื่อ <c oughs> ของเสียงนั้นที่คนนั้นยังไม่ได้บอก ว่าฉันตายไปแล้วแท้ๆนึกถึงการทุบหัวปลาตัวเดียวฉันก็ลงนรกบางคนก็บอกว่าฉันสุ่มปลาฉันทอดแหนผมสุ่มปลาผมทอดแหนแต่เมื่อเวลาจริงๆจะตายจริงผมนึก <c oughs> เป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องเดินทางกันเรื่อยๆ ไอ้เรื่องคนตายไปไหนเนี่ยคนชอบ แกบอกว่าผมบูชาแล้วก็บอกนักก็ การกลับมาอยู่ บางครั้งใจหยิบมาไม่หมดก็บอกว่าโยม 5 บาทเข้าไปอยู่ยี่มากที่ที่มุม 5 บาทจ้ะ ฟังจินตีทั้งหมดเท่านี้จะบรรจบแล้วก็ ทีต่อนี้ไป 3 ตัวนี่ไอ้ 3 ตัวไอ้ลิงดําไอ้ลิงขาวไอ้ลิงแดดมันพูดได้ในฐานะที่มันเป็นเด็กกว่าพวกแกหลังต่อไปจงอย่าถือเอาเงินของสงฆ์เป็นของ ถ้าต้องการอะไรมาบอกฉันอาราธนาสมบูรณ์พูนผลจง